สํานวนหรือว่าพาสิทอันหนึ่งที่เราคุ้นเคยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารที่จริงถ้าผู้ที้ถูกต้องต้องต้องพูดหมายว่ายอมแพ้เป็นพระยอมแพ้เป็นพระนี่ มันจะมีความหมายไปถึงว่าการวางใจยอมแพ้เป็นพระพยายามเอาชนะนี่เป็นมารบางคนแพ้แต่ว่าถ้าไม่รู้จักยอมแพ้ก็จะมือก็ตกนรกหรืออ า, อาจจะกลายเป็นมารเลยก็ได้เพราะว่า พอแพ้แล้วเมื่อไม่ยอมก็จะรู้สึกโกรธแค้นพยาบาทหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์แพการแพ้ในตัวมันเองนี่มันยังไม่ทำให้เป็นพระจนกว่าจะยอมแพ้ยอมแพ้คือยอมว่าเออเราก็สู้เขาไม่ได้นะ รว่ารู้รู้แพ้รู้ชนะอย่างในการเล่นกีฬาเมื่อแพ้แล้วก็รู้แพ้อันนี้คือยอมแพ้ยอมรับความแพ้แพ้ไม่ไม่โกรธไม่ไม่โทษคนนั้นคนนี้ไม่โทษปีโทษกรองอันนี้ก็เรียกว่าก็ทำให้เป็นพระได้ เป็นพระในความหมายที่ว่าเออมีน้ำใจนักกีฬาหรือว่ามออีมีจิตใจทีออ่รับความเป็นธรรมหรือว่าอีกความหมายคือทำให้ใจสงบพอยอมแพ้หรือว่ายอมรับความให้แพ้มันก็จิตใจก็สงบอีกส่วนหนึ่งก็ชนะเป็นมานีชนะนี่ คนที่ชนะไม่เป็นต้องเป็นมารก็ได้แต่ว่าเขาชนะด้วยด้วยด้วยฝีมือด้วยความเพียรพยายามแต่ก็าเกิดว่าพยายามเอาชนะนี่มันอาจจะเป็นมารได้พยายามเอาชนะก็หมายความว่าฉันต้องชนะให้ได้ ถ้าชนะไม่ได้ด้วยฝีมือก็ต้องชนะด้วยเล่ชนะด้วยเล่ไม่ได้ก็ต้องชนะด้วยกลคนที่พยายามเอาชนะนี่มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นพยายามที่จะใช้อุบายต่างๆเพื่อที่จะทำให้เขาพ่ายแพ้ หรืออย่างง่ายๆเวลามีคนเข้ามาดินทาเรามีคนมาต่อว่าเราเราไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องอยากจเจ้าชนะเขาแล้วส่วนใหญ่คนที่อยากจเจ้าชนะท่านเป็นไงก็ก็ด่า ก, กลับไปด่า ก, กลับไป เราต้องพยายามด่าด้วยคำที่แรงกว่าเดิมเขาด่าหนึ่งเราก็ด่าสองเราถึงจะถึงจะคิดว่าเราชนะเขาหรือว่าถ้าเขาแรงมาเราก็แรงไปไปมามัก็เลยว่าพอพยายามเอาชนะเขาก็เลยชุดตัวให้ลงต่ำเท่าๆเขาหรือว่าต่ำกว่าเขา ความการแก้แค้นจนนาไปสู่ความสูญเสียความทุกข์มากมายนี่ <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามเอาชนะไม่ว้งความความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาหรือกับพ่อแม่ลูกนี่ ถ้ามันมีความพยายามเอาชนะนี่มันเป็นเรื่องได้เหมือนกันเดีย๋ยวว่าแต่ระหว่างเพื่อนหรือระหว่างศัตรูเลยหรือระหว่างคู่ปรับอย่างผัวมีคูผัวมีคู่คหนึ่งก็อยย่ไม่มากอยู่มันไปได้สัก3าสี่ปีก็ก็มีลูก ตอนหลังเมียคงจะทนผัวไม่ได้ผัวจะเป็นคนที่ปากร้ายหรือเป็นคนอารมณ์ร้ายหรือเป็นคนขี้หึงหรือว่าเป็นคนขี้เล่าเมายางนี้ก็ก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่าในสุดเมียก็ทิ้งเมียก็อาจจะมีส่วนผิดอยู่ด้วยนะเพราะว่าทิ้งไปก็ไม่ได้เอาลูกไปก็ให้ลูกให้ลูกเลี้งเล็กอยู่ ทิงลูกให้ผัวดูแลผัวดูแลไปได้สักระยะหนึ่งก็ไม่ไหวเพราะว่าที่ผ่านมาก็ให้เมียทําหมดก็เลยไปตามหาเมียเมียก็ทํางานอยู่ร้านอาหารก็ไปตามตือ้อพอตื้อแล้วไม่ได้ผลก็เกิดความโกรธก็คงต่อบว่าอะไรกันเมียคงจะตอบโต้ไปด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมกลับ เม่อยอม ก, กลับไปไปอยู่ด้วยกันหัวก็โกรธมากเห็นเมียเดินเข้าไปห้องน้ำผัวก็ต่างเลยแล้วก็เอามีดเนี่ยที่ติดมานี่ฆ่าเมียฆ่าเพราะอะไรเพราะความโกรธสบไยถึงโกรธนะก็ส่วนหนึ่งเพราะว่า เสียหน้าอุาสตสาตื้อแล้วอุสตสายอมแล้วเมียไม่ยอมคืนดีด้วยก็รู้สัวตัวเองนี้แพ้ภา่แพ้ก็อยากจะชนะอยากจะเอาชนะเมียชนะไม่รู้จะเอาชนะยังไงก็เลย ฆ่าซะเลยเพื่อเพื่อให้รั่วชั้นนี้จะแพ้ใครไม่ได้อุตสามาบากหน้ามาขอมาขอตื้อแล้วมาข อ, อาให้กลับไปไม่ยอมอธรรมชาติผู้ชายนี่การที่จะยอมใครมันยากยอมอุตสายอมอ ปาหน้ามาเยอะขอร้องวิงวอนเมียรหรื อ, อดีดเมียพอรู้สึกปฏิเสธก็รู้สึกโกรธนะไม่ยอมแพนะ้ถ้าเอาเมียกลับไปไม่ได้ก็ต้องจัดการเฉลิมนี่เือพยายามเอาชนะเพราะความไม่ยอมแพ้ก็เลย อันนี้ก็ทำด้วยอั น, นาจของมานะมานะนี่มันคือความถือตัวถือตนคือเป็นตัวการที่ไม่ยอมแพ้ในการที่คนเราไม่ยอมแพ้นี่ก็เพราะว่ามานะเป็นตัวการสำคัญมานะนี่ต้องการผู้ชนะ เป็นผู้เก่งกว่าดีกว่าเนื้อกว่าทัเวลา <c oughs> เวลาลุ้เสือตุ้ยงไพ่แพนี่มันจะยอมไม่ได้อํานาจของมานน้าก็ทําให้พยายามเอาชนะทุกวิธีเอาชนะด้วยวิธีที่ดีไม่ได้วิธีที่ถูกกติกาชอบทําไม่ได้ก็ต้องเอาชนะด้วยวิธีการที่ชั่วร้ายซึ่งเราไม่ได้เห็นแต่เฉพาะใน ในเกณฑกีฬาในเวลาแข่งกีฬาในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้เยอะมีอีกลายหนึ่งนะพ่อก็เป็นคนเข้าวัดเรียกว่าธรรมะธรรมโม ก, ก็ได้แต่ลูกนี่ไม่ได้สนใจธรรมะการเรียนก็ไม่สนใจแล้วก็ก็นิสัยวัยรุ่นนะก็อาจจะชอบเถียงพ่อแม่ ไม่เคยเชื่อฟังดือ่อพูดง่ายคนที่เป็นพ่อนี่ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจลูกล้วค็รู้สึกผิดหวังด้วยนะคือยิ่งพ่อนี่หรือแม่นี่ธรรมะธ ร, รมโมมากเท่าไหร่ไอ้ความผิดหวังลูกที่ไม่เป็นธรรมะธ ร, รมโมแบบตัวเองนี่ก็จะมากขึ้นก็ วันหนึ่งก็ก็พยายามทำดีกับลูกนะหาตอนหลังก็ซื้อรถมาให้ลูกลูกก็ก็วัยรุ่นแล้วแต่ยังเรียนอยู่วันหนึ่งลูกตอนกลางคืนจะไปหาจะไปหาเพื่อนพ่อไม่ให้พ่อแม่อนุญาตแต่พอพอ่พอเผอพอ่พอเผอลูกก็ขับรถไปหาเพื่อน พ่อรู้ก็ตามไปตามไปเรียกกลับมาแล้วก็ทะเลาะ ก, กันไอ้คงปากเสียงคงจะมีกันมาบ่อยเป็นครั้งเป็นระยะระยะเหลือแต่ครามนีรุนแรงลูกก็คงรู้สึกเสียหน้านะเพราะอุตสาห์ไปตามไปถึงบ้านเพื่อนนะเสียหน้าพ่อก็รู้สึกโมโหที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อไม่ทําตามคําสั่งขัดขืนคําสั่ง สองฝ่ายไม่ยอมแพ้เถียงไปเถียงมาพอาโกรธก็ไม่ลวยความปืนใหญ่ใหญ่ไปอย่างไหน ย, ไยิงลูกตายแต่และรู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรไป โ, โหดคนธรรมะธรมโมนี่ฆ่าฆ่าลูกมันมันแย่ไหนจะถูกสังคมประนานไหนจะต้องติดคุกติดตารางทนไม่ไหวก็เลย ค่าตัวตายอันนี้พ่อทำไมมันทำอย่างนั้นกับลูกก็เพราะต้องการเอาชนะคนเป็นพ่อเป็นแม่มันทนไม่ได้ลูกมาเถียงพ่อแม่สวตัวเองมีอำนาจเ น, น, เนถ้าใครไมถ้าลูกมาอยู่ในอำนาจนี่มันแค้นม า, โ ก, ม า, ากโกรธมากจับกลัวก็เป็นเกลียดพยายามเอาชนะเอาชนะด้วยด้วยคําพูดไม่ได้เอาชนะด้วย การโตเถียงไม่ได้ก็ต้องใช้กาลังแล้วอันนี้มันก็ก็เป็นเป็นธรรมชาติของมานะที่มันหรือกิเลสที่มันต้องการเอาชนะให้ได้แล้วพอมันกิเลสหรือมานะมันมันแหลงก้าแล้วมันเรื่องธรรมะเรื่องศีลธรรมมันไม่สนใจแล้วกูจะเอาชนะมึงอย่างเดียวนะมึงมันชั่วมึงมันรูปเลวรูปไม่ดี เถียงพ่อต้องกำลังคนธรรมด า, าก็จะตบหน้าตีแต่แต่ถ้าลูกโต น, นก็ใช้ปืนท่านเลยนี่ถึงบอกว่าเนี่ยถ้าถ้ายอมแพ้ซะก็เป็นพระถ้าอยากเอาชนะก็กลายเป็นหมานได้ไง่าย ในการยอมแพ้นี่หรือการยอมนี่เป็นเรื่องสําคัญนการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งต้องรู้จักฝึกให้ยอมเพราะอย่างที่บอกเวลากิเลสเนี่ยธรรมชาติกิ่งของทงกิเลสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมานะหรือตัณหาก็ดีหรือทิฏฐิด้วยเนี่ยมันไม่ยอมมานะคือความถือตัวว่าเก่งว่าดีตัณหาคือความอยากได้ทิฏฐิ ค, คือความ ติดในความคิดนะไอ้สามตัวนี้มันจะมีลักษณะอย่างคือมันไม่ยอมใครมานักก็ไม่ยอมแพ้หรือว่าไม่ยอมให้ใครมามาเถียงมามาข้ามหน้าข้ามตา ข้ามตาข้า ง, งตานึงก็เป็นโกรธนะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าไม่เห็นเราอยู่ในสายตานีไม่ยอมไม่ยอมขับพูดปาดหน้าเราเราต้องปาดมันบ้างอันนี้เรื่องอันนี้คือมาหน้าตัวมาหน้าเลยรู้สึกเสียหน้ามากมันปาดเราถ้าเราไม่ปาดกลับคืนเสียงว่าเรายอมแพ้ต้องปาดมันบางทีก็ลงเอยด้วยกันดิ้นกันตาย นี่เรว่าไม่ยอมไม่ยอมกันตายกันไปเยอะแล้วตัณหามันก็เหมือนกันคืออยากพออยากได้แล้วเนี่ยมันมันไม่ยอมนะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ได น, นีคนที่เป็นพ่อแม่รู้ดีนะลูกนี่โอ้ถ้ามันอยากได้เนี่ยมันไม่ยอมเนะี่ยต้องเอาให้ได้ มันก็มันก็กลายเป็นเรื่องของมันนะเข้าไปผัวพันด้วยเหมือนกันตัวทีิศก็ไม่ยอ ม, มถึงเถียงเลยไงเถียงกันไม่เถียงกันเฉพาะเรื่องการเมืองนะแม้กระทั่งในมุนักปฏิบัติธรรมก็เถียงกันนะเรื่องการเรื่องวิธีการปฏิบัติใครของใครถูกกันแน่เนะถียงกันอยู่กระทั่ง ด่ากันนักปฏิบัติธรรมก็ด่ากันใช้ถ้อยคําที่รุนแรงบางทีไปดูตามตามเน็ตตามเว็บไซต์โอ้โหนักปฏิบัติธรรมเวลาทะเลาะกันนี่มันแรงรพอๆกับเหลืองแดงทะเลาะกันเลยเหลืองแดงทะเลาะกันยังไงด่ากันยังไงนักปฏิบัติธรรมก็ด่ากั น, ยงงนอย่างนั้นอย่างนั้นคือมันเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องเท่นั้นแหละ เพียงแต่ประเด็นไม่เหมือนกันแต่ว่าอารมณ์คําพูดมันเหมือนกันเพราะมันมาจากกิเลส ต, ตัวเดียววันคือตัวทิฏฐิแล้วก็มานะทิฏฐิความยึดติดในความคิดว่าองค์ฉันถูกมานะคือความเกี่ยวกูเก่งกูแน่กูถูกนะมันก็ไม่ยอมกันเหมือนกันนั้นเวลาการการยอมนี่มันก็เป็นเรียกว่าเป็นอุบายนะ อนันาอุบายเป็นวิธีในการในการเอาชนะกิเลสในการสยบกิเลสที่สาคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกกิเลส3ามตัวตัณหามรรลุทิฏฐนีลักษณะเด่นที่มันเหมือนกันคือมันไม่ยอมมันไม่ยอมแต่ยอมไม่มันไม่ยอมคนละแ่นะอันที่หนึ่งไม่ยอมแพ้อันที่สองไม่ยอมที่จะสูญเสียหรือไม่ยอมที่จะไม่ได้ ส่นที่สอก็คือไม่ยอมที่จะยอมไม่ยอมรับว่าฉันผิดไม่ยอมรับความคองฉันมันมันไม่ถูกใครมาวิ จ, จารณ์ฉันฉันก็โกรธไม่ยอมฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของมันนะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับฟังคาวิ จ, จารณ์ไม่ยอมที่จ ะ, ะไม่ยอมรับว่าเขาถูก เขาความคิ่เขาดีกว่าไม่ยอมที่จะสูญเสียอย่างคนอย่างพวกเล่นเล่นพนันเนี่ยทีแรกก็แพ้ทีแรกก็เสียยี่สิบาทสามสิบาทยี่ไม่ยอมก็เลยเล่นต่อเพื่อจะเอาคืนฉันเสียสามสิบแล้วฉันแทงทุ่มไปเลยห้าสิบพอเสียห้าสิบเอาแทงร้อยไปเลย ในสุดท้ายหมดตัวคือถ้าเริ่มถ้าถ้ายอมเสียตั้งแต่ที่แรกคือเสียสามสิบมันก็คงไม่ท่ไ้ไหลานี่มันไม่ยอมไงมันก็เลยเสียไปเรื่อยๆหรือมพวกที่เล่นหุ้นน่ะเล่นหุ้นซื้อหุ้นไปแล้วหุ้นมันราคาตกซื้อไปห้าสิบมันตอนนี้เหลือสามสิบควรจะขายได้แล้วหุ้นมันตกเรื่อยๆไม่ยอมขาย ก็เลยยึดเอาไว้งั้นแหละมีด้วยความหวังว่ามันจะมันจะขึ้นมาถึงสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบเนาะเพราะว่ามันก็ตกราวรูดจนข้างเหลือแค่สลึงสองสลึงเลยหมดตัวไปเลยทีแรกถ้ายอมเทถ้ายอมขายเนี่ยทีแรกก็อาจจะเสียเสียนิดหน่อยเนาะอาจจะเสียเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พอไม่ยอมเสียไง ไม่ยอมเสียมีความหวังว่ามันจะมันจะดีขึ้นราคามันจะขึ้นสุดท้ายก็เลยเสียหายไปหลายล้านเลยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคือไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียน้อยมันก็เลยเสียมากอันนี้ก็เป็นเพราะไอ้ความไม่ยอมแพ้นั่นเองในการ นักปบัติธรรมนี่สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ต้องมีต้องฝึกก็คือการเริ่มจักยอมรวมถึงยอมแพ้ด้วยเขาว่ามีนักปฏิบัติคนหนึ่งนี่ก็มีปัญหากับห้องข้างๆเพราะเขาขายของอย่างเดียวกันเป็นคู่แข่งก็พยายามให้อภัยเขาพยายามที่จะพยายามที่จะมีเอ ไม่โกรธเขาแต่วันหนึ่งเดินผ่านหน้าร้านเขา mm. เขาก็พูดจาต่อว่าจริงก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่ mm. ก็โกรธโมโหไม่พอใจพอเดินกลับไปก็ดา่าก็ตอบโต้ดา่าแต่แล้วก็ไม่นั่งเสียใจเป็นทุกข์ อันนี้ก็พอความไม่ยอมไม่ยอมแพ้เขาด่า ก, กูมากูก็ต้องด่ากลับแต่ถ้ามันจะดีถ้าเกิดว่าไม่ไปตอบโต้เขาจะเรียกว่ายอมแพ้ก็ได้หรือยอมยอมไม่เข้าว่าไม่ใช่ยอมแพ้มันในการยอมแบบนี้มันก็ชนะได้เหมือนกันยอมไม่ยอมให้เข้าว่าแต่เราไม่ไปตอบโต้เขา ซึ่งอันนี้พระเราก็จริงๆก็ฝึกอยู่นะยอมให้ว่ากล่าวอย่างปวารณาเนี่ยวันมหาปวารณาเนี่ยวันออกพรรษาเนี่ยก็มีวิธีวันมหาปวารณาปรารณาคืออะไรปรารณาคือยอมให้ว่ากล่าวพระเรานี่ต้องก็ฝึกมาทางนี้นะคือยอมให้ว่ากล่าวให้ตักเตือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ก็ไม่ยอมเหมือนกั น, นปีขาว ที่เจ้าวาดตักเตือนหรือตาหนิพระที่บวชใหม่หรือว่าตักเตือนตาหนิเนรบอรกว่าโกรธนะบางทีไปเรียกพวกมาตีหรือบางทีก็เอาจัดการอย่างเลยบางทีไม่ต้องเจ้าวาดนะพระที่เป็นพี่เลี้ยงเขามาเตือนพระบวชใหม่ มัวสูมกับเพื่อนเอาเพื่อนมาคุยเล่นในกุฏิส่งเสียงดังเผอไปเอาเหล้ามากินในวัดด้วยในกุฏิด้วยวก็เตือนเตือนว่าไม่พอใจไปเรียกเพื่อนมาสักกรัมพระที่เอาถึงตายก็มีนะอันนี้เพราะว่าไม่ยอมให้ว่ากล่าว เวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยมันจะเอาให้ได้นะตัณหานี่มันจะพยายามเอาให้ได้เอาให้ได้เราลองฝึกที่จะยอมยอมไม่ใช่ยอมมันนะแต่ยอมที่จะไม่ได้มันงหรือว่าเวลาคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเนี่ยโอ้มันจะเราจะไม่พอใจเราอยากจะได้มากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาเนี่ย เวลาแจากของแจกซีดีแจกหนังสือธรรม ะ, ะเขาได้สองเราได้หนึ่งก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ในใจมันจะบน่นไม่ได้ฉันต้องได้เหมือนเขาได้เท่าเขาอันนี้แหละถ้าเรามีสติล้วก็เออยอมยอมที่จะได้น้อยกว่าเขา มันมีประโยชน์ยางไงมันก็เป็นการฝึกให้เอาชนะกิเลสนะสยบตันหานักปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นอคนอื่นได้สีดีน้อยกว่าได้หนังสือธรรมะน้อยกว่าก็ฝึกเออไม่ได้เรายอมที่จะได้น้อยกว่าเขาอนุโมทนาด้วยที่เขาได้มากกว่าคือเขาได้เยอะ หรือว่าเวลาเถียงกันเถียงกันเราก็ยอมที่จะให้เขาชนะไปเพราะว่าถ้าอยากชนะแล้วบางทีกลายเป็นทะเลาะกันเพื่อนกับเพื่อนทะเลาะกันเพราะว่าไอ้เรื่องทิฐิความเห็นนี่แหละโดยพอเห็นได้ชัดมากบ้านเมืองเราตอนนี้ เพื่อนกันทะเลาะ ก, กันเพราะว่าคนนึงเหลืองคนนึงแดงก็ทะเลาะ ก, กันเรื่องทักษิณเรื่องกับพิสิทธิ์เรื่องยิ่งลักษณ์ไม่ไม่ยอมไม่ยอมกั น, น, นเมื่อสามสี่ปีสี่ห้าปีก่อนก่อนปฏิวัติสมัยทักษิณยังดังนี่ยังมีอำนาจอยู่ก็ เพื่อนสองคนพักนีอยู่ใต้นี้กินเหล้าเสรแล้วคุยไปคุยมาก็คุยเรื่องการเมืองว่าคุยเรื่องการเมืองทะเลาะกันคนหนึ่งบอกทักสินดีคนอื่บอกทักสินไม่ดีถยงไปถึง ม, มาต่อยกันพอต่อยกันมันต้องสู้นี่ไม่ยอมแพ้ไอ้คนนึงเห็นคอนอยู่ ใ, ใกล้เอาค้อนฟาดเลยเพื่อนตาย ตายเพราะเถียงกันเรื่องทักษิณเอาไม่เอาทักษิณเป็นไทยก็ยังไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าทั้งสองก็ไม่เคยเห็นหน้าทักษิณทั้งคู่ี่เป็นคนซึ่งไม่น่าจะมาเป็นเหตุให้ต้องเพื่อนน้องมาฆ่ากันอันนี้ก็เพราะเรื่องทิฐินี่มันในการ การยอมการฝึกที่จะยอมนี่มันมันเป็นสิ่งที่จะสำคัญมากสาหรับปฏิบัติในการที่จะช่วยช่วยสยบอำนาจของของตัวกิเลสทั้งสามเพราะถ้าเพราะถ้าเราทำตามมันคืออยากจะเอาชนะไม่ยอมแพ้นี่มันก็จะมีอำนาจของใจเรามากขึ้น แต่เวลาเราพย า, ยามยอมนี่นะมันมันก็ต้องต่อสู้นะเพราะว่ากิเลสมันไม่ยอมอ่ะกูไม่ยอมกูไม่ยอมเราจะรู้สึกถึงแรงต้านเรายอมแต่กิเลสมันไม่ยอมมันจะรู้สึกต้องต้องต่อสู้มากเลยก็ธรรมดามันจะมีแรงต้านในจิตใจมันเป็นอำนาจกิเลสก็ต้องสู้กับมัน ก็ถ้ายอมถ้าให้มันถ้าทําตามมันมันก็ได้ใจอยู่เรื่อยเื่แต่พอเราลองต้านมาสักครั้งหนึ่งมันไม่ยอมแต่เรายอมกิเลสมันไม่ยอมแต่เรายอมชั่พักสักพักมันก็จะโวยวายน้อยลงอย่างที่บอกไปแล้วว่ายอมนี่มันเป็นเรื่องอุบายนะแต่ว่า ไม่ใช่ว่าต้องยอมทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องถูกต้องนเป็นเรื่องถูกต้องนี่ก็ไม่ควรยอมแต่ก็ต้องเลือกดูให้ดีนะให้ถูกต้องนี่มันถูกต้องตามกิเลสของเราหรือเปล่าเพราะว่าพวกที่ครั่งศาสนาเนี่ยเขาก็เชื่อเขาถูกต้องเขาก็เลยไปวางระเบิดเขาก็เลยไปไปทําร้าย ไปฆ่าพวกไปฆ่าหมอที่ทําทําแท้งหรือว่าหมอที่เปิดคลินิกทาแท้งเพราะพวกนี้มันเลวเรานี่ต่อต้านการฆ่าต่อต้านการทําแท้งเราถูกต้องไม่ยอมปะท้วงมันแล้วมันไม่ยอมเลิกมันไม่ยอมปิดต้องเอามันซะเลยยิงมันให้าตายถึงจะได้ปิดคลินิกอันนี้ก็อันตรายเหมืนอนกันแม้ว่าจะ แม้ว่าจะทําสิ่งที่ถูกนี่แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ยอมแพ้เดือมหน้าของกินเหรเหมือ น, นกันแต่พูดจริงบางเรื่องก็ ก, ก็ก็ไม่ควรยอมแต่ว่าก็อย่าให้กลายเป็นเรื่องของตันหามันนทิฐิเข้ามาแทรกเข้ามาเข้ามาครอบงํามันพร้อมจะเข้ามาไอตัวอัตตานี่มันพร้อมจะเข้ามาเข้ามาฉวยโอกาสเสมอ ทำเรื่องดีๆนี่มันก็มาชโชว์อกาศเป็นเรื่องความดีของกูความดีของกูอย่างพ่อที่ฆ่าลูกเนี่ยเพราะว่าลูกไม่ดีเหมือนกูลูกไม่ดีอย่างที่กูคิดก็โกรธก็เกลียดก็เลยในทสุดก็ลามเป็นการฆ่าไอ้ความดีของกูนี่มันน่ากลัวนะเพราะมันไม่ใช่เป็นความดีแท้ๆมันเจอได้กินเลย นถ้าถ้าไม่ยอมเพราะคิดว่านี่เป็นความดีของกูนั่นเอันตรายอันนี้ก็ต้องก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องของกินเหล็ก็ต้องยอมฝึกให้ยอมเอาไว้ฝึกยอมไม่ใช่ยอมกินเหล็นะยอมที่จะไม่ยอมที่จะเป็นผู้แพ้ในขณะที่มัน ไม่ยอมเรายอมนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องความถูกต้องเรื่องของความดีงามก็ก็ต้องสู้นะก็ต้องไม่ยอมมันมันกลายเป็นความขี้ขลาดนะหรือต้องแยกให้ดีว่าความยอมในไหนเป็นการยอมที่แสดงถึงความเข้มแข็งในจิตใจการยอมบางอย่างเป็นกันเป็นความขี้ขลาดหรือเป็นความไม่เอาใจใส่เป็นความขี้เกียจ เป็นการปล่อยปลาละเลยต้องมีส ต, ติต้องมีปัญญาที่จริงเรื่องย้อนนี่มันก็สำคัญกับการเจริญสติด้วยนะแต่ว่านี่ก็ค่อยอยวานต่อไปพรุ่งนี้วันนี้ก็ชาเนี่พูดถึเท่านี้ก่อนอกับพ ร, พร้อมกัน